สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกไทยนะครับรายการของเราออกอากาศที่ FM 89.5 MHz สเมสถานีวิทยุมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยมีผมอาจารย์สมพงษ์บุญ น, นุนเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่คุ้นเคยกับรายการมรดกไทย ก็จะทราบว่ารายการของเรานั้นมีทั้งหมด4ช่วงวันนี้ทั้งสี่ช่วงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากและเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกันตั้งแต่ช่วงมรดกเพลงไทยจนถึงมรดกทางภาษานะครับวันนี้ในช่วงมรดกเพลงไทยผมนำเสนอเพลงมากเกมนี้วันนี้คุณผู้ฟังจะได้รับทราบประวัติที่มาของวงด น, นตรีอินคาซึ่ง ได้ร้องเพลงหมากเกมนี้ในอัลบัม้มคนล่าฝันแล้วก็ประสบความสำเร็จมากทีเดียวในเนื้อเพลงมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับช่วงที่สองนะครับมรดกวิถีไทยวันนี้ผมเปิดเพลงหมากเกมนี้ก็ไปเกี่ยวเนื่องกับมรดกวิถีไทยเพราะพูดถึงพืชที่ชื่อว่าต้นหมากหมากพืชเศรษฐกิจที่ทรงคุณค่าของไทยนะครับ จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างต้องติดตามในส่วนช่วงที่3าม th มรดกภูมิปัญญาไทยก็ต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วเลยนะครับหมากและความสัมพันธ์ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยและมรดกทางภาษานะครับคนไทยมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับพืชดังนั้นวันนี้จะนําสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับพืชมาเล่าให้คุณฟังได้อับทราบนะครับสําหรับเพลงที่นํามาเปิดในวันนี้นะครับก็ เป็นเพลงที่ถูกคัดเลือกมาอย่างดีเป็นเพลงที่ฟังแล้วสบายใจฟังแล้วนึกถึงอดีตฟังแล้วนึกถึงสิ่งดีๆที่ผ่านมาในชีวิตแน่นอนครับก็เป็นเพลงเก่าแต่เป็นเพลงเก่าที่ยังทรงคุณค่าอยู่เสมอๆนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบในแต่ละช่วงของรายการมรดกไทยนะครับ FM 89.5 m ม z สร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีช่วงที่หนึ่งโมรดกเพลงไทยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมจะนำเพลงที่อยู่ในใจของคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเพลงฮิต ไม่ว่านักร้องท่านไหนจะนามาขับร้องใหม่ก็ได้รับความนิยมอยู่เสมอๆวันนี้นำเสนอเพลงหมากเกมนี้จากต้นฉบับศิลปินอินคานะครับเพลงนี้ได้ออกเผยแพร่เมื่อปีพศ2534นะครับสำหรับผู้ที่เขียนเนื้อเพลงก็คือคุณสุรักษุขเสวีส่วนนักร้องนำวงอินคาก็คือคุณศักดาพัฒน์ศีมา แล้วก็เรียบเรียงทํานองนะครับให้ทํานองแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณชาตรีคงสุวรรณนะครับคุณผู้ฟังครับมีประวัติน่าสนใจของวงอินคาดังนี้นะครับเมื่อปีพศ2532สมาชิกของวงอินคานะครับโดยการนาของคุณดาคุณอ้อมแล้วก็คุณอ๋อเดี๋ยวผมจะบอกชื่อจริงให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับได้ก่อตั้งวงดนตรีขึ้นมาตามความฝัน ที่อยากจะมีอัลบั้มนะครับแล้วก็ไปออกอัลบั้มแรกกับบริษัทแกรมมี่เอนเตอร์เทนเมนต์หรือปัจจุบันเราเรียกว่า GMM g r a แกรมีนะครับจากนั้นต้นปีพศส5 3 5ก็ได้ผลิตอัลบั้มภายใต้การดูแลจากคุณโอมชาตรีคงสุวรรณอัลบั้มชุดแรกคืออัลบั้มคนล่าฝันนะครับก็ได้ออกวางแผงและปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมากมาก เพลงชุดนี้มีเพลงในอัลบั้มชุดนี้นะครับมีเพลงฮิตที่เรียกว่าใครๆก็รู้จักอย่างเพลงมากเกมนี้ยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บขอเริ่มใหม่แล้วจากเพลงฮิตต่างๆนี้ทําให้อัลบั้มชุดนี้มียอดการจําหน่ายได้เกิน1ล้านตลับนะครับแล้วก็ในปีพศ2536นห้ร้บหกนะสมาชิกของวงนี้ ก็ได้ผลิตผลงานชุดที่2คืออัลบั้มตามรอยตะวันก็มีเพลงต้องการดวนหมดแล้วหมดเลยร้อยคนเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าก็มีสมาชิก3คนนะครับได้แยกตัวออกไปไปตั้งวงดนตรีตั้งวงอะไรต่างๆหลังจากนั้นในปีพศสอ4 6รสสมาชิกที่แยกย้ายกันไปนะครับก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการบอกกล่าวแล้วก็ยืนยันให้แฟนเพลงได้ รู้ทั่วกันนะครับโดยการทัวร์คอนเสิร์ตอินคาร์อิ v e นะครับก็ใช้เวลาทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศเนี่ย1ปีเต็มจากนั้นในปีพศสอ4 9รอิกนครก็ได้ออกอัลบั้มชุดใหม่ชื่ออัลบั้มว่า In Car Arrival นะครับก็ได้วางแผงจำหน่ายหลังจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายหายกันไปถึง14ปีเต็มทีเดียวสำหรับวงอินคานะครับมีสมาชิกก็คือคุณศักดาพัชรศีมา ก็เป็นนักร้องนําแล้วก็มีคุณจรุวัตรวิเศษสมบัติคุณอ้อมก็เป็นกีตาร์คอร์ดร้องเพลงนะครับโดยเฉพาะเพลงขอเริ่มใหม่แล้วก็มีคุณนนสิงห์หน ล, ลกะหรือคุณ อ, อ๋อทําหน้าที่ในการตีกลองแล้วก็มีปิติดวงพิกุณหรือว่าป๊อปเป็นมือเบสแล้วก็มีบริวิทพิกุณทองนะครับหรือคุณบอยเป็นทำหน้าที่เป็นคีย์บอร์ดแล้วก็ร้องนํา แล้วก็ยังมีคุณรณพพบอัคราช์นะครับกีตาร์ลีดนะครับชื่นเล่นว่าคุณเตย้ยนี่เป็นประวัติคร่าวๆที่น่าสนใจของวงอินคาละปัจจุบันนะครับสมาชิกวงอินคาก็ยังอยู่ในถนนสายดนตรีอยู่นะครับมาดูที่เพลงหมากเกมนี้นะครับก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจมีการเปรียบเปรยได้อย่างน่าสนใจนะครับผมจะยกตัวอย่างเนื้อเพลงบางส่วนมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับ มาเกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเออย่างไรไม่ต้องรอให้จบเกมฉันก็พร้อมจะยอมตัดใจหากลืมฉันได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจฉันมันแค่ทางผ่านได้ฟังเนื้อเพลงแค่นี้ก็กินใจมากนะครับคุณผู้ฟังวันที่ใจเธอเจ็บเธอก็ดึงฉันมาเพียงเพื่อลืมเวลาที่ปวดร้าวทาเพื่อเธอเท่าไหร่ ก็คงไม่เหมือนคนเก่าเป็นแค่เพียงคนขั้นเวลานี่คือความงดงามและการเลือกใช้ถ้อยคําแล้วก็เล่าเรื่องผ่านเพลงได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นผลงานการเขียนเนื้อของคุณสุรักษุขเสวีนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะฟังเพลงนี้ด้วยกันนี่คือเพลงที่อยู่ในใจคุณผู้ฟังและผมเสมอเสมอขอเชิญทุกท่านรับฟังเพลงหมากเกมนี้ครับหากลืมฉัน ได้ไม่ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจพอเข้าใ จ, าใจคนที่เป็นอนดีตเธอก็ยังไม่ลืมเธอนั้นยังมีใจให้กับเขาทำฉันทำทุกอย่างให้เธอนั้นลืม แต่มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเมื่อวันหนึ่งเขาจะกลับเข้ามาฉันก็รู้ว่าเธอรู้สึกเช่นไรแม่ไม่ต้องบอกก็พอที่จะเข้าใจ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 ตัวฉันพอเข้าใจฉันมันแค่ทางผ่านวันที่ใจเธอเจ็บเธอก็ดึงฉันมาเพียงเพื่อลื เวลาที่ปวดร้าวทำเพื่อเธอเท่าไรก็คงไม่เหมือนคนเก่าเป็นแค่เพียงคนคันเวลาแล้วเมื่อวันหนึ่งเขาจะกลับเข้ามาฉันก็รู้ว่าเธอรู้สึกเช่นไร ไม่ต้องบอกก็พอที่จะเข้าใจในแววตาของเธอมันบอกอย่างนั้นมาเกม น, นี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลองเอยอย่างไรไม่ต้องรอให้จบเกมฉันก็พร้อมจะยอมตัดใจหากลืมฉัน ลำบากเธอก็ควรจะจากฉันไปส่วนตัวฉันพอเข้าใจฉันมันแค่ทางผ่านคนมันรักจริงรักจนลืมเจ็บใจให้เธอนั้นใช้เป็นทางผ่าน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 รับฟังออนไลน์ที่ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร 026917738-9 มาถึงช่วงมรดกวิถีไทยคุณู้ฟังครับนอกจากกล้วยซึ่งเป็นพืชสารพัดประโยชน์แล้วนะครับถ้าเหลียวมองไปรอบๆในสังคมไทยตามเลือกสวนได้นา น, นะครับก็ยังมีพืชอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นพืชสารพัดประโยชน์แล้วก็เป็นพืชที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยมานานแล้ววันนี้ผมจะพูดเรื่องราวของหมากนะครับคุณรู้ฟังครับหมาก เป็นชื่อวิทยาศาสตร์แล้วก็จัดอยู่ในตระกูลของวงศ์ปาล์มหมากเนี่ยความจริงเป็นสมุนไพรนะครับมีชื่อท้องถิ่นแตกต่างกันไปเช่นคนใต้ก็จะเรียกว่าหมากสงถ้าเป็นชาวกะเหรี่ยงแม่ห้องสอนก็จะเรียกว่าแสซีแซะนี่ชาวกะเหรี่ยงภาคเหนือเขาก็เรียกหมากแบบนี้หรือยกตัวอย่างเช่นปีแหนชาวมารายูภาคใต้เขาก็ใช้ในการเรียกหมากนะครับ สรรพคุณของหมากนั้นมีมากมายทีเดียวเดี๋ยววันนี้จะค่อยๆเล่าให้คุณฟังได้รับทราบนะครับมาดูที่ผลอ่อนก่อนก็จะมีรสฝาดหวานสรรพคุณก็เป็นยาช่วยทำให้เจริญอาหารนะครับสำหรับเปลือกนะครับเปลือกแล้วก็ผลเนี่ยมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงธาตุรากอาจจะมีรสฝาดเย็นมีสรรพคุณเป็นยาแก้โรคกระใสนะครับ สำหรับผลของหมากก็ใช้เป็นยาแก้โรคเบาหวานเขาบอกว่าด้วยการใช้หมากที่กินกับพลูแบบสด1ลูกนำมาผ่าเป็นสี่ซีกต้มกับน้ำา1ลิตรต้มให้เดือดนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ต้มสักประมาณ10นาทีใช้ดื่มก่อนอาหารครั้งละครึ่งแก้วเช้ากลางวันแล้วก็เย็นเมื่อเช็คดูนะครับก็จะพบว่า น้ำตาลในเลือดนั้นก็จะลดลงเป็นผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่ผมแนะนําเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากนี้นะครับผลของมันก็ยังช่วยสมานแผลในกรณีของคนที่เป็นแผลจากเบาหวานทําให้แผลหายเร็วนะครับในส่วนของใบนะครับก็มีสปปรรพคุณเป็นยาแก้ไข้หวัดคุณผู้ฟังครับรากหมากใช้ผสมกับรากมะพร้าวรากมะกอกรากมะปรางเปรี้ยว รากมาปรางหวานนะครับแล้วก็มีรูปบัวหลวงเกสนบัวหลวงแล้วก็หัวแหว้วใช้กินเป็นยากแก้พิษที่ในกรณีที่ผิดสําแดงนะครับเป็นไข้รากเนี่ยเขาบอกว่านํามาต้มกับน้ําเป็นยากแก้พิษร้อนหนแก้พิษไข้นะครับหรือจะใช้ใบก็ได้นํามาต้มกับน้ํากินแล้วก็อาบก็ได้นะครับ แล้วก็ยังเป็นยากแก้ไข้แก้ไข้หวัดก็ได้สปปรรพคุณมากมายทีเดียวนะครับหมากมีสปปรรพคุณในการรักษาโรคม า, าเลเรียด้วยแล้วก็ช่วยในการขับเหงื่อพูดถึงเมล็ดของหมากนะครับถ้าดอกตัวผู้เนี่ยก็จะเป็นยาหอมช่วยแก้กระหายผลก็มีสปปรรพคุณช่วยแก้อาการไอช่วยขับเสมหะนะครับส่วนหมากแก่หรือหมากสงก็จะมีรสฝาดจัด มีสรรพคุณเป็นยาแก้เสมหะแก้ลำไส้เป็นพิษช่วยปิดทาาแล้วก็สมานแผลถ้าเราไปดูในตำรายาไทยนะครับ<ๆ>ก็จะใช้หมากเนี่ยใช้เมล็ดของมันเนี่ยในการรักษาโรคในช่องปากเช่นช่วยแก้ปากเปื่อยนะครับบางข้อมูลก็ระบุไว้ว่าใช้รากนะครับนมาต้มกับน้ำเดือดแล้วก็ใช้อมในขณะที่น้ำยังอุ่นอยู่ก็แก้อาการปากเปื่อยได้นะครับ คุณผู้ฟังครับสบรรพคุณของหมากหรือต้นหมากเนี่ยมีมากมายทีเดียวนะครับผมก็จะนำมาเล่าในส่วนที่มีความสำคัญสำคัญแต่ดูแล้วข้อมูลเนี่ยเยอะมากนะครับยกตัวอย่างเช่นหมากเนี่ยใช้เป็นยาถ่ายพยาธิได้ยาขับพยาธิได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลมพยาธิตัวเติดพยาธิใบไม้วิธีการใช้นะครับก็ใช้เนื้อในผลหมากนามาบดให้เป็นผง โดยใช้ประมาณสัก 50-60 กรัมนำมาต้มกับน้ำกินในขณะที่ท้องว่างก็จะช่วยขับพยาธนอกจากนี้เรายังช่วยขับพยาธิในถุงน้ำดีด้วยการใช้เนื้อนะครับเนื้อไนที่เป็นผลเนี่ยแล้วนำมาประมาณสัก35กรัมนะครับแล้วก็ผสมกับพริกหอมบวยดํา10กรัมนำมาต้มรวมกันแล้วก็ดื่มดื่มในขณะท้องว่างนะครับ ยาพื้นบ้านล้านานาครับก็จะใช้มเมล็ดของหมากเนี่ยผสมกับกาฝากต้นโพเห็ดกระด้างแล้วก็รากมือเ่อแจ้ดอกํานะครับน้ำมาฝนกับน้ำกินเป็นยารักษาโรคแก้อาการปัญหาเรื่องของทางเดินปัสสาวะนะครับถ้าในกรณีท่านใดเป็นหูดนะครับเขาบอกว่าหมากก็ใช้รักษาอาการหูดได้ด้วยการใช้ผลดิบหนึ่งผลนะครับเขาบอกว่าผลหมากที่สุกแก่แต่ว่ายังดิบอยู่ นำมาฝานเอาเนื้อไนออกมาเป็นชิ้นๆเหมือนกับการเตรียมหมากเพื่อกินนั่นแหละหลังจากนั้นก็นำไปย่างไฟให้ร้อนแล้วรีบนำมาพอกทับในบริเวณที่เป็นหูทันทีก็จะช่วยทําให้หัวของหูเนี่ยหลุดออกมาถือเป็นความมหาัศาจรรย์ทีเดียวนอกจากนี้ยังช่วยรักษาโรคน้ำกัดเท้าได้ด้วยด้วยการนำผลหมากเนี่ย มาผ่าเป็น4ชิ้นนะครับแล้วก็ใช้ทั้งเปลือกแล้วก็เนื้อเนี่ยถูบริเวณที่ถูกน้ำกัดเท้าบ่อยๆโดยเฉพาะที่เป็นแผลถูอย่างนี้ทุกวันทุกวันอาการก็จะดีขึ้นแล้วก็จะหายไปในที่สุดนะครับคุณรู้ฟังครับนอกจากมนุษย์เนี่ยใช้หมากในการรักษาโรคต่างๆแล้วความจริงแล้วหมากเนี่ยก็ยังใช้กับสัตว์ได้ เช่นมเมล็ดเนี่ยใช้เป็นยาถ่ายพยาธิในสัตว์เช่นสุนัขนะครับไก่ชนแล้วก็แกะด้วยการนำผลแก่มาบดให้สัตว์กินนอกจากนี้ก็ยังใช้กำจัดหนอนในเวลาที่วัวหรือควายเป็นแผลมีหนอนทำให้หนอนตายหมดอะไรจะสรรพคุณดีเยี่ยมขนาดนั้นนะครับส่วนยอดอ่อนของลำต้นนะครับสามารถนามารับประทานเป็นอาหารจำพวกผักได้ส่วนจันทหมากหรือว่าดอกหมาก เมื่ อ, อยังอ่อนอยู่ก็ใช้รับประทานเป็นอาหารได้เช่นกันนะครับช่อดอกซึ่งมีกลิ่นหอมจะถูกนำมาใช้ในงานแต่งงานแล้วก็งานศพสารพัดประโยชน์จริงๆเลยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้นะครับในทางยุโรปประเทศในแถบยุโรปก็มีการใช้ผลหมากซึ่งนำมาสกัดเป็นส่วนผสมของยาสีฟันเพราะเขาเชื่อกันว่าจะทาให้ฟันเนี่ยขาวขึ้นได้ในด้านการนามาใช้ในทางอุตสาหกรรมนะครับเขาบอกว่า ขนหมากเมื่อนำมาสกัดก็จะได้ไขมันนะครับมีเมือกมียางแล้วก็มีสารเคมีที่สามารถนำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมได้เช่นการใช้ทําสีต่างๆในการย้อมแห้ย้อมอวนนะครับคุณผู้ฟังครับคนทั่วโลกนับร้อยล้านคนเนี่ยกินหมากโดยเฉพาะทางเอเชียใต้หลายคนติดหมากถึงขนาดทั้งว่าไม่ได้กินหรือว่าไม่ได้เคี้ยวหมากร่างกายเขาจะไม่มีแรง เกิดอาการระทศระทวยนะครับมีอาการหาวอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันมีการค้นพบนะครับในทางการแพทย์ได้พบหลักฐานว่าการกินหมากมากและกินเป็นประจำจะทําให้คนเหล่านั้นนะครับมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปากเพราะว่าหมากเนี่ยมีสารก่อมะเร็งที่เหมือนกับบุหรี่เนี่ยหลายๆตัวทีเดียวนะครับและจากการสํารวจยังพบว่า การกินหมากจะเพิ่มโอกาสการเป็นโรคหัวใจโรคหืดและโรคเบาหวานได้โดยเฉพาะ 90% ของคนที่กินหมากมักจะเป็นมะเร็งที่ปากเนื่องจากพิษหมากเนี่ยไปทำให้เยื่อเมือกในเซลล์ปากเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงจนในที่สุดนะครับแก้มก็จะแข็งทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาปากไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับรัฐบาลในหลายๆประเทศจึงได้มีการรณรงค์ ให้คนเนี่ยลดการกินหมากซึ่งการดําเนินการเช่นนี้นะครับก็มีผลทําให้สถิติของการเป็นโรคมะเร็งในปากในบางประเทศลดลงหลังจากที่ประชาชนเริ่มเข้าใจแล้วว่าไม่ควรจะกินหมากมากทําให้บางประเทศออกกฎหมายห้ามผลิตสินค้าที่มีหมากเจียปนแล้วก็ออกกฎหมายเพื่อกําจัดการผลิตหมากด้วยนะครับและนี่คือความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ หมากได้รับความนิยมจนกระทั่งปัจจุบันและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับหมากนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วกลับไปพบกับช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยนะครับ เพียงหน่อยดีรั้งเหนียวจิตใจเลือล่อนลอยเฝ้าคอยแอบมองเขาอยู่ด่าแลกใจไม่เบามีใจของเราเป็นอะไรร้อนรุ่มกลุ้มใจจะบอกกับใครเขาอย่าง น่าจะรู้ไม่ได้เห็นหน้ายังพากลุ่มน้าทุเขาจากไปห้นแห่งใดโปรดทราบว่าใครเขาคิดถึงอยู่ เพลงเตือนอย่าเลื่อนลับเลยหรือทำให้รู้เสียงเพลงไว้รง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 คุณผู้ฟังครับเรามาต่อในช่วงของมรดกภูมิปัญญาไทยนะครับเมื่อช่วงที่แล้วได้เกริ่นนาเรื่องราวของหมากคุณประโยชน์นับพันนะครับคุณประโยชน์นมากมายของหมากแล้วก็หมากที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยก็จะพูดถึงหมากที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเชื่อความผูกพันในด้านต่างๆ คุณฟังครับในศิลาจารึกของสุขโขทัยหลักที่1เรียกผลไม้ว่าหมากทั้งสิน้นเช่นหมากขามหมากม่วงหมากพร้าวหมากกลางก็คือขนุนหมากสั้นหมากหวานแล้วก็ในศิลาจารึกหลักเดียวกันยังแปลความว่าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวรสหวานนะครับจากความหมายของคําว่าหมากที่หมายถึงผลไม้ทําให้สันนิษฐานได้ว่า คนไทยในอดีตคงจะรู้จักคุ้นเคยกับหมากมาเป็นอย่างดีรู้จักเป็นอย่างดีมากกว่าผลไม้ชนิดอื่นจึงใช้หมากเป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนผลไม้แล้วก็นำไปประกอบที่หน้าชื่อผลไม้อื่นๆหมากก็เป็นพืชวงเดียวกับต า, มาลมะพร้าวปาล์มจากอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วแล้วก็ต้นหมากก็มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ที่เอเชียใต้ไปจนถึงหมู่เกาะอินเดียตะวันออก รวมทั้งพื้นที่ประเทศไทยด้วยนะครับสําหรับรูปร่างเรื่องราวของหมากนั้นก็กล่าวไปแล้วช่วงที่แล้วเดี๋ยวมาดูในมุมอื่นๆของหมากว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับ mm hmm. คุณผู้ฟังครับในประเทศไทยมีการขุดค้นพบซากหมากแล้วก็ครูในถ้ำผีแมนนะครับเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาบอกว่ามีอายุเก่าแก่ประมาณนะครับ 8,000 ถึง 1,000 ปีมาแล้วแสดงว่าคนไทยรู้จักหมากพลูมานานแล้วคราวนี้มาดูในเรื่องของวัฒนธรรมของหมากนะครับคุณผู้ฟังครับหมากเนี่ยเป็นพืชสาคัญในหลายวัฒนธรรมสำหรับในวัฒนธรรมไทยนั้นการกินหมากก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆประเพณีที่สำคัญซึ่งการกินหมากของคนไทยนั้นไม่ได้เคี้ยวหมากแล้วก็กลืนเหมือนกับการกินอาหารแต่ว่า การเคี้ยวแล้วบ้วนเอาน้ำลายสีแดงๆที่เรียกว่าน้ำหมากทิ้งแล้วก็คลายกากที่เรียกว่าชานหมากทิ้งด้วยนะครับการเคี้ยวหมากแล้วก็ใบพลูนับว่าเป็นสารเสพติดอย่างอ่อนๆเหมือนกันนะครับดังนั้นการกินหมากของคนไทยจึงไม่หวังในด้านของการเป็นอาหารแต่กินเพื่อความเพลิดเพลินเหมือนเหมือนกับการอมลูกอมหรือการเคี้ยวหมากฝรั่งในยุคปัจจุบันนะครับ คุณผูฟังครับผู้ที่มีฐานะ ด, ดีเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการกินหมากที่สวยงามการกินหมากของคนไทยก็จะมีหลักฐานปรากฏแน่ชัดตั้งแต่สมัยนู้นนะครับตั้งแต่สุขโขทยัยซึ่งในศิลาจารึกก็จะกล่าวถึงการสร้างป่าหมากป่าพลูโดยทั่วไปเมืองนี้ทุกแข่งนะครับแสดงว่าชาวสุขโขทัยคงจะกินหมากกันทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นเองพอมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ก็ยิ่งปรากฏชัดเจนนะครับว่าหมากเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆมากขึ้นเช่นผ่านหมากกลายเป็นเครื่องหมายแสดงตำแหน่งยศแล้วก็บันดาศักดังปรากฏในกฎมียนบานซึ่งตราไว้ในรัชสมัยของพระเจ้าบรมไตรโลกนาถได้กำหนดโทษผู้ที่ลักขโมยผลหมากเอาไว้สูง สูงเท่าไหร่ครับสูงกว่าการลักขโมยมะพร้าวกล้วยอ้อยแสดงว่าหมากมีความสำคัญมากทีนี้คุณผู้ฟังครับวัฒนธรรมการกินหมากเนี่ยมีมาตั้งแต่อดีตซึ่งในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชก็มีหลักฐานของชาวต่างชาติบันทึกเอาไว้ว่าประเทศไทยส่งหมากไปขายที่อินเดียเป็นมูลค่าปีละถึง7จ 0,000 ื่นเหรียญรวมทั้งส่งพลูนาบนะครับ ซึ่งเป็นพลูแห้งส่งไปขายเนี่ยปี1นึงห้ามืนกว่าเหรียญจึงทำให้หมากกลายเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของคนไทยในสมัยนั้นไม่ทราบว่าในปัจจุบันนี้มีการเก็บสถิติการทร่งออกหมากแล้วก็ใบพลูบ้างหรือเปล่าในสมัยก่อนครับคุณผู้ฟังมีการเก็บภาษีกอกรเพื่อเป็นรายได้หลักของหลวงซึ่งรายได้จากภาษีส่วนใหญ่ก็เก็บจากพืช8ชนิดด้วยกันก็มีทุเรียน มะพร้าวหมากลูมะม่วงลางศาสตรมะปรางแล้วก็มังคุดสำหรับอัตราที่เก็บจากต้นหมากก็คือต้นละ30เบียรถึง50เบียรนะครับสำหรับต้นหมากที่ให้ผลผลิตแล้วโดยใช้ความสูงเนี่ยเอามาเป็นเกณฑ์ในการเก็บภาษีนะครับคุณผู้ฟังครับคราวนี้มีเรื่องราวของหมากเอกก็คือต้นหมากที่สูงตั้งแต่3ถึงหาวา ก็ประมาณสัก 1.5 ถึง 2.5 เมตรนะครับแล้วก็มีหมากตีคือต้นหมากที่สูงตั้งแต่7วาขึ้นไปก็ประมาณสัก3มถึงเมตรเหตุที่หมากต้นสูงเก็บค่าอากรต่ำกว่าต้นเตี้ยก็เพราะว่ามีการลงทุนในการใช้คนปีนขึ้นไปเก็บผลหมากแล้วก็หมากต้นสูงเนี่ยค่อนข้างจะมีอันตรายมากเพราะว่าหมากนะี่มีลาต้นเล็กยิ่งสูงก็ยิ่งหักง่าย เขาบอกว่าเคยมีการบันทึกเรื่องคนตกต้นหมากตายนะครับไม่ใช่แค่ต้นมะพราะ้าวในประวัติศาสตร์ของไทยนะครับมีเกาะหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับมาเลเซียก็คือเกาะหมากปัจจุบันนี้ก็คือเกาะปีนังเขาบอกว่าเดิมทีในอดีตเคยเป็นของไทยซึ่งเกาะนี้ก็จะเต็มไปด้วยต้นหมากจึงมีชื่อเรียกว่าเกาะหมากความจริงเรื่องราวของเกาะนี้เขาบอกว่า ก่อนนี้ถูกอังกฤษยึดครองในนามบริษัทอินเดียตะวันออกตั้งแต่ปีพศส3 2 9จนกลายเป็นดินแดนของประเทศมาเลเซียก็คือปีหนังซึ่งปีหนังก็แปลว่าหมากนั่นเองนะครับการกินหมากของคนไทยเนี่ยเฟื่องฟูมาจนถึงยุคของจอมพลปพิบูลสงครามท่านได้ออกคำสั่งให้คนไทยเลิกกินหมากแล้วก็มีการตัดทาลายต้นหมากต้นพลูในสมัยนั้น เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้คนไทยได้ทัดเทียมกับอนาอารยาประเทศคุณผู้ฟังครับดังนั้นหมากจึงมีบทบาททั้งในแง่ของอุตสาหกรรมเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งมีการส่งออกนะครับตั้งแต่อดีตในปัจจุบันก็ยังมีอยู่แล้วมีการจำหน่ายตามประเทศต่างๆคิดเป็นมูลค่าเนี่ยหลายร้อยล้านบาทต่อปีหมากก็เป็นพืชที่ เพราะง่ายปลูกง่ายดูแลรักษาไม่ยุ่งยากไม่มีโรคแล้วก็มแมลงมากวนใจนะครับการลงทุนก็ไม่สูงมากนักสามารถทำรายได้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานานนับ10ปีแล้วก็หมากเนี่ยก็ปลูกร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆได้อีกทั้งยังสามารถปลูกไว้เป็นแนวเขตรัว้วหรือพืชกันลมได้เป็นอย่างดีนี่คือคุณประโยชน์ของต้นหมากนะครับ จงอย่าเอาไปสิ่งเดียวที่ขอไว้อย่ายือแย่งเธอไปจากฉันเลยฝ้าอย่าทำรายให้เราต้องแยกกันเหลือแต่เพียงฉันคงต้องตาย t a y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 แล้วก็ไล่เรียงเรื่อยไปตั้งแต่หมากความเกี่ยวข้องกับคนไทยพืชเศรษฐกิจประวัติความเป็นมาสิ่งที่น่าสนใจมากมายทีเดียวดังนั้นในช่วงมรดกทางภาษานะครับวันนี้ผมก็นึกถึงสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับพืชนะครับคนไทยก็เป็นคนช่างสังเกตได้นำสิ่งรอบตัวนี่แหละมาคิดเป็นสำนวนเป็นสุภาษิตคบาบังเพย เพื่อใช้สอนเตือนสติคนรุ่นหลังนะครับคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนสุภาษิตนะครับจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานก็พูดถึงพืชนะครับมีสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับพืชเช่นวานพืชหวังผลก็หมายความว่าให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อหวังผลตอบแทนนั่นเอง มาถึงกระดังงาหลนไฟครับมีความหมายถึงผู้หญิงที่เคยแต่งงานหรือผ่านผู้ชายมาแล้วย่อมรู้จักชั้นเชิงในการปรนิบัติแล้วก็เอาอกเอาใจผู้ชายได้เป็นอย่างดีดีกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานต่อไปสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับพืช น, นะครับกลมเป็นลูกมะนาวหรือกลิ้งเป็นลูกมะนาว หมายถึงหลบหลีกไปได้คล่องจนจับไม่ได้ก็ใช้ในทางที่ไม่ค่อยดีนะครับต่อไปกลัวดอกพิกุลจะร่วงอันนี้มีความหมายว่านิ่งไม่ค่อยยอมพูดนะครับกว่าทัวจะสุกง่าก็ไม่ก็เป็นลักษณะของการทำงานที่มีความลังเลใจทำให้การแก้ไขปัญหานะครับไม่ทันท่วงทีก็คือประมาณว่าได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งไป ดูดเอาถั่วกับงา ม, มาคั่วพร้อมกันซึ่งจริงๆทั้งสองอย่างคั่วพร้อมกันไม่ได้เด็ดดอกไม้ร่วมต้นก็หมายถึงเคยทําบุญกุศลร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนจึงมาอยู่ร่วมกันในชาตินี้แก่มะพร้าวห้าวเคยได้ยินใช่ไหมครับก็หมายถึงมีอายุมีคุณค่าใช้เข้าคู่กับเท่าหัวเผือกหัวมันเป็นแก่มะพร้าวห้าว เท่าหัวเผือกหัวมันส่วนแก่มะพร้าวเท่ามะละกอก็หมายถึงว่ามีอายุมากแต่ไม่มีแกนสารมาถึงสำนวนที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือขมิ้นกับปูนก็หมายความว่าชอบวิวาทะกันอยู่เสมอๆเวลาอยู่ใกล้กันไม่ถูกกันก็ยังมีขิงก็ราขาก็แรงนะครับหมายถึงต่างคนต่างจัดจ้านพอๆกันมีอารมณ์ร้อนพอๆกัน แล้วก็ไม่ยอมลดลาวาซองต่อมามาถึงสํานวนเด็ดดอกไม้ไม่ไว้คั่วก็หมายถึงตัดขาดตัดญาติขาดมิตรกันเด็ดขาดมักใช้เข้าคู่กับเด็ดบัวไม่ไว้ใหญ่เด็ดดอกไม้ไม่ไว้คั่วเด็ดบัวไม่ไว้ใหญ่มาดูสํานวนต่อไปครับตาเป็นสับปะรดนะครับก็หมายถึงตาของพรรคพวกที่คอยสอดส่องดูแลเหตุการณ์อยู่รอบข้าง พักชีโรยหน้านะครับคุ้นเคยกันดีก็หมายถึงการทําความดีเพียงผิวเผินมดแดงเฝ้ามะม่วงมดแดงแฝงพวงมะม่วงอันนี้คล้ายๆกันก็หมายถึงชายที่ปองรักหญิงที่บ้านใกล้เรือนเคียงกันนะครับและคอยกีดกันไม่ให้ชายอื่นเนี้ยมายุ่งวุ่นวายกับผู้หญิงที่ตนรักมะกอก3ามตะกร้าปลาไม่ถูกก็หมายความว่า พูดจาตลบตะแหลงพลิกแผลงไปมาจนจับคำพูดไม่ทันและทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างของสำนวนไทยที่เกี่ยวข้องกับพืช น, นะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะใช้สำนวนเหล่านี้ในบางโอกาสแต่ข้อสําคัญก็คือใช้ให้ถูกต้องให้ถูกต้องตามความหมายตามโอกาสสำนวนไทยเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกและใช้เตือนสติคนรอบข้างได้ด้วยนะครับ ภาษาไทยมีความสำคัญมากครับช่วยการอนุรักษ์แล้วก็รักษาเอาไว้ใช้ภาษาไทยด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องด้วยความภาคภูมิใจครับ ธนนั้นจะเปลี่ยนเราไวายจวทานสกิมมือคนให้ทานเธอคนเดียวไม่มีทางจะดีสึกเท่าไหร่ จะตายก็ไม่สำคัญแค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอแต่ใจมันยินยอมมันยึงอยากจะรักเธอไม่เห็นต้องพูดอะไรให้มันมากมายไม่ต้องมีคำดั่งใหญ่ในใจสักคำให้เลิกเสินไม่ต้องมัน ไรให้สุดเลิศเลไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอให้ดูว่ารักเธอเท่านั้นพอไม่ต้องมีคำบันยายในใจสักคำให้เลิกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิกเลยไม่ว่า อะไรมันคือเหตุผที่ฉันนันรัเธอให่ารักเธอเท่านั้นพอไม่ว่าอรมันคือเหุผที่ฉันนันรัเธอให้ดูว่ารักเธอเท่านั้นพอ คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz เมคุณผู้ฟังครับวันนี้เวลาของรายการมรดกไทย ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการมรดกไทยได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีคลื่น fm 89.5 เเมกะเฮิรตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังและขอบคุณมากๆสาหรับ